ันโมทนาสาธารในท่านสาธาชนทั้งหลายการบรรยายประสูตรในวันนี้ก็จะพูดเรื่องพวกชาดกสับ้างพวกชาดกก็ดีพวกวิบาลวัตถุเปรตวัตะวะถุเป็นเรื่องง่ายๆนะเป็นเรื่องระดับศีลธรรมจัดญาเกี่ยวข้องกับชีวิตของคน โดยชาดกเรื่องนี้ค่อนข้างจากพิเศษเอย่างที่เคือพูดกันมานานแล้วว่าในหลักการทางวิสัชนาต่าแสดงว่ายุคสมัยที่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกหรือการสอนพระพุทธศาสนายัางไม่มีเนี่ยก็ยจะมีพระปฏจกระพุทธเจ้าเกิดขึ้น แท่านเหล่านี้จะศัสรูเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าเพียงแต่ว่าไม่สอนศาสนาไม่ตั้งวิรูปศาสนาขึ้นแต่คนก็ได้รับผลจากท่านระดับระดับทานระดับศีลในความความคิดเห็นอะไรสั้นๆจากท่าน แต่ก็จะท้อในเห็นว่าในความเปลี่ยนแปลงในเกิดขึ้นในชีวิตของคนเรามันก็อยู่ที่ตัวของคนนั้นเองอย่างที่สรงแสดงไว้โดยสรุปว่าความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เป็นเรื่องเฉพาะบุคคลคนหนึ่งจะทําอีกคนหนึ่งให้บริสุทธิ์เป็นไปไม่ได้ แม้จะมีการฟังธรรมการสอนธรรมเรากบว่าคนบางพวกฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าครั้งเดียวก็บรรลุมรรคผลเอาจึงเมื่ออยู่ที่ตัวท่านคือนำธรรมะที่ทรงสอนมาพินปีจดาจนรู้ใจเห็นจริงตามหลักธรรมเราดันได้ก็บรรลุมรรคผล คนอื่นมันก็เป็นองค์ประกอบแม้แต่พระศาสดาเองนั่นก็เป็นองค์ประกอบในที่ทรงใช้คำว่าตถาคตก็เป็นผู้บอกให้เท่านั้นเองแต่การจะปฏิบัติตนให้หดรอดจากกำหนากของมารเป็นเรื่องที่เธอจะต้องใช้ความเพียรพยายามในตนเองแล้แสดงว่าโดยนัยอื่นเป็นอันมากเช่นว่า แม้คนจะเกาะชาจีวรก็เราไปตลอดร้อยปีแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำไม่ปฏิบัติชอบจริงแล้วก็จะไม่ได้รับผลของธรรมะต่อนนั้นเหมือนทะพีที่ตะแกงแต่ไม่รู้จักรสชาติของแกงด่อยนี้กกสะทรัตนชายค่ว่าปานิยาชา ด, ดกมัน ก, ก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังนะวันแนวพวกจัดพวกเนี้ย คือบางทีชื่อไม่เคยมีความหมายอะไรแต่ไรมันเป็นหมวดอะไรสักอย่างปานิยะก็แปลว่าน้ําที่ควรดื่มนั่นเองก็ไม่มีความหมายอะไรพร า, า ะ, าาาามมาะรก็เป็นเรื่องของคนห้าคนที่ต่อมากลายเป็นพระพุทธเจ้าพระพจนเจ้พระพุทธเจ้าแต่ด้วยความรู้สึกนึกคิดด้วยความนึกบาปของตัวท่านเอง มีข้อความที่เป็นเบื้องต้นว่ามีภิกษุรูปหนึ่งซึ่งสละภพกสมบัติมีคนฐานะดีนะฮะสละภพกสมบัติแล้วออกปวดต่อมาก็พอใจติดใจในเพศตรงกันข้ามมันก็คิดจะศึกแต่ชายสมุทรบรีว่ากระสัน์มานความว่าจิตมันก็ คิดออกไปข้างนอกนะคิดวายไปข้างนอกเพื่อพวกเห็นสอบถามก็ให้สติตักเตือนแล้วมันเอาไม่อยู่มันดึงไม่อยู่ก็นำไป้าพระพุทธเจ้าเป็น<ม>วิธีการอย่างหนึน่งที่ทมาสังเกตวนานึกจะรวบรวมวิธีแก้ปัญหาของพระพุทธเจ้าสักเล็ ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในใจคนเป็นพุทธวิธีที่แก้ปัญหาคนเรามีปัญหาแนวเดียวกันคืออยากจะสึกด้วยกันนี่เปิดไฟเป็นเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่นะครับพระเจ้ า, าท่านมีวิธีของท่าน แ ต, กกต่ก็ไม่ได้ใช้ทั้งหมดคือเราสังเกตดูไม่ได้ใช้ทั้งหมดคือบางองค์แล้วก็ปล่อยให้สึกไปเลยอย่ากสึกก็สึกไปเลยแต่บางองค์แม่แต่แล้วก็มีวิธีฮะมีวิธีที่จะพูดจะพูดกับท่านเหล่านั้นวิธีพูดมันไม่เหมือนกันแต่จบลงเหมือนกันวก่าับท่านเหล่านั้นไม่สึกก็บรรทุกมากกแต่วิธีที่แปลก ใช้แก้ปัญหาแนวเดียวกันปัญหาเดียวกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันเอาอย่างย้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะของคนหรือพื้นฐานคนี่สูรรูปนี้จริงเรื่องนี้มันอยู่สองแห่งนะฮะอยู่ในกุสาชาติก็อยู่ในปานิยาชาติบเคยเจอความก็ยังงั้นนะฮะพระเจ้าก็รับสั่งถามมราบว่าเธอคิดจะศึกจริงเลย ทานบอกว่าจริงมันมีมันมีจุดที่กระตุกแรงๆงนรงฮะเป็นประโยช์ที่ซ้ำประโยชน์ี้ซ้ำซ้ำต้องแข่งใจต้องแข่งเธอซึ่งอดีบวดมาในธรรมวินัยที่ตถาคตได้แสดงไว้ดีแล้วเช่นนี้ทำไมไม่พยายามปฏิบัติให้เพื่อนเขาเรียกก็เรียกพ ร, ระโสดาสกิตาคานาคาอาราค่ เราปล่อยให้เรียกปล่อยคนอื่นเขเรียกว่าพิกษุภูตัสมันมันมันมัมันกระตุ้นมั น, ม, น, ม, น, ม, นมันเกิดมันเกิดมานะนะมานะสําสนวนไทยนะฮะหมายความมาเกิดเกิดคืดที่จะสู้ขึ้นมาไอ้คนอื่นก็ทําได้เราก็ทําได้ทําไมเราจึงทําไม่ได้เราก็เสียเชิงแล้วก็นสิสุก็ทรงสอนว่า คือบวดไปในทใําไม่นายอย่างเนี้ยแต่ไม่สามารถควบคุมอินทรีย์ควบคุมอินทรีย์คือตาหัวใจมลนงการใจนะครับต้องตัวเองไว้ได้ทั้งทงที่มีการสอนมีคณะบุคคลไปไหนมาไหนก็มีเพื่อนมีฝูงอะไรมากมา ย, ยแต่ว่าควบคุมอินทรีย์ไม่ได้ ก็จเห็นว่าอินทรีย์ที่คุมยากก็คือใจเนี่ยมันคุมยากไม่ไปในที่ไหนไปอยู่ในป่าในถ้ามาใจมันวิ่งออกนอกถ้าหายไปไหนคุมมันยา ก, ก น, นะเพราะท่านท่านท่านรุปนนี้เขาอยู่ที่ท่านไม่คุมใจคือการในรู้ความเสี่ยดุงกลิ่นลิ้มรสเนียมันเรื่องธรรมดาเนี่ยมันก็ทำยังไงแต่เราคุมใจเราได้หรือเปล่าแล้วก็ส่งเน้นว่า คนสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีาศาสดาเขาไม่ได้มีคนสอนแต่เขาก็าคุ้มครองอินทรีย์เขาได้คุ้มครองตาหูจมูกลิ้นายใจได้ก็แล้วแต่กรณีนะมันมีโยห์หกรณีที่เล่ามันที่รับสั่งเล่าเนี่ยห้ากรณีแล้วในที่สุดก็รับสั่งเล่าว่าในดีตการนานมาแล้วนะครับสมัยโบราณมากๆ ก็มีสหายอยู่สองคนไปไหนมาไหนด้วยกั น, นประกอบอาชีพด้วยกันนะก็เตรียมน้ำ เ, เตรียมน้ำดื่มไปทั้งสองค น, นะนะแต่สหายคนหนึ่งน้ำดื่มของตัวเองที่เตรียมไว้เนี่ยไม่ดื่มไปแดื่มของเพื่อนนะฮะอันนี้ที่เกิดคำว่าปานิยะาในชื่อคำว่าปานิยา่าฉะ คือน้ำที่คนดื่มที่พอดื่อไปเสร็จเนี่ยมันเกิดสํานึกตกตอนเย็นขึ้นมาแนวของอนุสติที่ที่ที่ที่เราเคยค ย, ค, ยคุยกันนันฮะประกอบพวกอนุสติเนี่ยเป็นพวกศีลานุติจาคานุติเนี่ยหมายความว่าสมมุติวันนี้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นก่อนจะนอนเนี่ยเราก็ลองหยุดคิดดูวัวนนี้เราทําชั่วอะไรบ้าง เราทําดีอะไรบ้างในเราลึกถึงทานถึงศีลาการทานสันติเราลึกถึงการบริจาคศีลาตนติเราลึกถึงการรักษาศาีลนะว่าเราได้บริจาคได้เสียสละอะไรบ้างแล้วศีลเราเป็นยังไงคือถ้าเราลึกระลึกแล้วเห็นความดีมันก็เกิดปีติประโมทจิตใจก็สงอบจิตใจก็ผ่องแผ้ว เราลึกแล้วก็เห็นความปกครองความผิดพลาดถ้าสํานึกดีนะฮะก็นับหนึ่งกันใหม่ก็แก้ไขกันใหม่สํานึกไม่ดีก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงก็แนวพระแสดงอาบัติแนวโยมรับศีนนั่นแหละโดยไม่จะรับแบบธรำเนียมนะไม่จะรับแบบทำเนียมจะบางทีเนี่ยพระเทศเสร็จก็ก็ ก, ก, ก็ก็ห่างกันสักชั่วโมงนะรับศีนตอนก่อนพระเทศนะจ้านโยะ พระเทศเสด็จถวายทางคตานะจะรับศีนี้หละมากไปหน่อยทําเป็นเล่นไปศีนก็รับแล้วรักษาได้เป็นปีๆก็ไม่ใช่ก็รับเล่นๆกันนะนะอันนี้คือเรารับตามธรรมเนียมรับตามประเพณีศีนน่ะที่จริงมันเป็นธรรมะปฏิบัติคือเราจะต้องเข้าใจนะเป็นศาสนาปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาพิธีเว้นในการรับบ่อยๆที่จริงมันไม่เดือด นอกจากว่าศีลเราขาดเราเกิดสำนึกที่จะปรับปรุงศีลของเราเราก็รับศีลแต่รับบ่อยๆมันก็ทำเป็นของเล่ น, นกับธรรมาชาติธรรมดามื่ก็ยืงก็ร้องเพลงชาตินะฮะร้องเพลงชาติแต่ลองสังเกตนะฮะว่ามันก็แปลกกันนะฮะคือเราแสดงความจงรักภักดีต่อระ บ, บาตรําเดจพระเจ้าอยู่หัวแล้วถ้าเรามองย้อนอะไรดูดิ เวลามีค ด, ดีดูหมิ่นพระบรมนะจะมีคนแห่ไปให้กําลังใจเยอะเลยแปลกเป็นเรื่องแปลกมากๆเลยนะฮะเราบอกว่าเราจงรักภักดีนะฮะแต่ว่าใครต้องค ด, ดีดูหมิ่นพระบรมจะมีคนแห่อดดอกไม้ถูกเทียนมาให้แห่กําลังใจนะไม่รู้มากความว่าอย่างไงไม่รู้หมายความว่าอย่างไงแต่นี่คือเราเห็นเป็นความขัดแย้งเป็นความขาดความสุจริตใจกับความจริงใจ การปฏิบัติธรรมถึงท่านถือว่าที่สุดจริตเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่คือปฏิบัติให้มันสุดจริตศีลเป็นธรรมะปฏิบัติไม่ใช่เป็นศาสนาปฏิบัติไม่ใช่ศาสนาพิธีคือการปฏิบัติตามหลักของพระศาสนาไม่ใช่เป็นพิธีของพรศาสนารับสักครั้งหนึ่งนะวันรับสักครั้งหนึ่ ง, นะ ง, งแล้วก็มีพิธีอะไรก็ไม่ต้องรับอีกได้ไม่จําเป็นอะไรนะ บางทียุ่งไปแม่ชีไปรับศีลเขาให้ศีลห้าก็รั 5, รบศีลห้าเขาด้วยทําอะไรก็ไม่รู้ตัวเองมันศีลแปดไปรับทําไมฮะไม่ได้เกี่ยวอะไรอะเรารักษาศีลแปดเราไม่รักษาศีลห้าไปรับทำอะไรทีนี้ท่านผู้นี้ยท่านท่านที่ดื่มน้ําของเพื่อนนะ่ะท่านก็แนวเนี่ยศีลานุสติเนี่ยคือมาระลึกถึงว่าวันนี้เราทําชั่วอะไรบ้างแต่คงจะไม่รักษาศีลอะไรอนะฮะ มาไปเห็นว่าที่เรามันเอาเปรียบเพื่อนกับเตรียมน้ํามาด้วยกันมีที่ใส่น้ํามาด้วยกันต่างคนแล้วก็มีน้ําแต่เราก็ไปดื่มของเพื่อนมันมันบาปแต่มันเร็วกอดตัวแต่ถ้าบาปมันเกิดสะสมหมกมมมากิ่งขึ้นเนี่ยมันก็นําความเดือดร้อนมาไม่มีที่สิ้นสุดเพราะขนาดทาบาปตอนเช้าเนี่ยพอมานึกถึงตอนเย็นมาสะดุดโครมตรงนี้เลยก็เห็นความร่าร้อน ขึ้นเกิดขึ้นภายในใจและอายแก่ใจเกิดปโนธรรมสำนึกพิจารณาว่าเราจะต้องไม่ปล่อยให้บาปเนี่ยมันเกิดขึ้นมากมากกว่าที่มันเกิดแล้วนะฮะเออเกิดแล้วก็เกิดแล้วแต่ว่าทำยังไงอย่าให้มันเกิดขึ้นมากกว่าที่เกิดแล้วก็ยืนตรงนั้นเองยืนพิจารณารายลักษณ์นะฮะย้อนกลับไปมองสังขารมอง สิ่งอะไรก็แล้วแต่แล้วถ้ายืนตรงนั้นท่านก็มองอะไรก็เรียกจะเริยนวิปัสนาคือมีหลักคําว่าวิปัสนาเนี่ยมันมักจะเน้นสิ่งที่เป็นรูปธรรมเนีเป็นอารมณ์หมายความเป็ยังไงหมายความว่าสิ่งที่เรารักใคร่กหนัดพอใจนั่นเองเ น, นะแต่เรามองใหม่มองในแง่ที่มันเป็นจริง ในแง่ความเป็นจริงก็คือสิ่งเหล่านั้นไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรเที่ยงแท้ไม่มีอะไรเป็นสุขจริงไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงแล้วเกิดลดราตนามาหน้าที่คือยึดถือว่าของเราว่าเป็นเราว่าเป็นตัวเป็นตนของเราลงไปนี่เรียกวิปัสสนาเรานประเด็นของวิปัสสนาเนี่ยเป็นการเพิ่มปัญญาขึ้นเป็นหลักเอาปัญญาเป็นตัวนา แล้วจากปัญญาที่เกิดเนี่ยไม่ต้องไปลดตานามานาทิฏฐิลงนะฮะมันมีข้อแม้อย่างนั้นด้วยไม่ใช่รูปแบบมันไม่ใช่รูปแบบวิปั ส, สนาจึงเป็นาศนาสนปฏิบัติไม่ใช่าศาสนาพิธีเหมือนกันไม่ใช่รูปแบบเหมือนกันนะเวลานี้เราก็มีรูปแบบรูปแบบชั้นโชนนี่เยอะนาดวิปัสสนากันทีนึงเป็นร้อ ย, อ ย, อยพันๆอย่านนะฮะ ที่พัฒนามันไม่มันไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่อะไรอ่ะนะหมายความวาเราเขียนสิ่งเหล่านั้นเป็นกฎของกฎตามก ฎ, ฎความจริงเขาติดรักหรือไม่ทีนี้การวิสูจนิ์และการเห็นไปเห็นมันก็เห็นนั่นนะฮะมันก็เห็นกาๆกันนิ่ง ก, กายเซนต์ตื่นตื่ต่ไปยืนมองก้อนหินอยู่สามก้อนมองเพ่งมันก็แนวสมาธิก่อนแนวสมาธิแล้วเสร็จแล้วพอจิตสงบมันก็มองในแนววิพัฒนา เพื่อนนั่งถามมาเห็นมาก็เห็นเห็นอะไรเห็นก้อนหินสามก้อนมันก็เห็นเน่ยนะก็เห็นก็อหินสามก้อนตีนี้ไอ้ก้อนหินสามก้อนเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยเขามองในให้จิตสงบก่อนแล้วพิจารณาก้อนหินเหล่านั้นเน่ะให้เห็นว่ามันเดิมก่อนจริงๆมันไม่มีก้อนหินนะมันก็เป็นอุปาทานติฏฐิพังคะคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดบไปเป็นของที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงเป็นธรรมดาเลยหินนี่มีเออ วความแข็งความแน่นมากกว่ามนุษย์เยอะแยะมันก็น้องก็มามนุษ ย, ย์เอามาตัวทีหลังวิธีเจริญสมาธิแนวกระสินนั่นเองนะฮะในกายเซนในกายเซนนะคือใช้วิธีแนวกรสินก่อนแล้วก็เจริญมีปั ส, สนาทีหลังเพราะท่านท่า น, านพิจารณาท่านเจริญมีปั ส, สนาแล้วบรรลุปัจเจกโพธยานก็ยืนทื่ออยู่ตรงนั้นเองยืนสเสวยปิติอยู่ตรงนั้นเอง พอถึงเวลาก็เพื่อนก็ไปชวนกลับบ้านฉันบอกว่าคุณกลับแต่ฉันไม่กลับถามทําไมไม่กลับบอกว่าฉันเป็นพระปฏิเจกาพะพุทธเจ้าแล้วฉันไม่เป็นชาวบ้านนะเพื่อนก็บอกว่าพระปฏิเจกาพะพุทธเจ้าเขาไม่เป็นไงอย่างนี้หรอกพระพุทธเจ้าต้องต้องโกนผมต้องผมผ้าต้องมีปา้าต้องมีอะไรเนี่ยต้องมีอะบริ่อไ ท่านก็อธิษฐานนะนะฮะอธิษฐานเพศก็กลับอั น, นี้อันนี้ต้องยอมให้เป็นบุญยริศนะฮะเป็นบุญยริศเป็นบารมีธรรมของมนุษย์ที่เขาพัฒนาขึ้นไปอยู่ในจุดนั้นเราอย่าไปยุ่งอะไรกันนะฮะเรามันมันมันยังห่างเยอะเลยเพราะว่าพวกชีพสำเร็จมาด้วยฤทธิ์เนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอก พระพุทธเจ้าบาดจีวรก็สำเร็จด้วยฤทธิ์นะฮะเห็นไหมฮะเทวคติการะรมนำมาถวายพอสเสด็จออกพนวดมันก็มีคนนามาถวายแล้วก็บาด ท, ท่านก็สําเร็จมาด้วยเทวดานะฮะแต่นั่นก็เป็นเทวตาหนุกภาพทีนี้พวกพระปัญญคีพวกนี้พวกสำเร็จด้วยฤทธเท่านั้นเลยมไม่ได้เอาจีวรจีวรมาคือเพศมันกลับผมผมมันก็หายไป จะกลายเป็นผู้ทรงบาตรทรงจีวรเป็นพระเถระมันมีเฉพาะบางองค์แม้ในสมัยพุทธกาลเองยุคหลังก็ไม่มีคนมีบุญระดับนั้นไม่มีแม้แต่คนระดับพระพายญารุจิริยะถึงจะรู้เร็วมากนะฮะยืนเทศ ก, กลางถนนบรรุมผลเป็นพรานแล้วบารมี ด, ด้านนี้ไม่มีเลยต้องไปเดินหาจีวรแล้วถูกโกหกหดตาย จริงๆเป็นยุคแรกฮะเป็นพระยุคแรกซึ่งมันน่าจะได้นะแต่ก็ไม่ได้เพระตรงนี้ต้องยกถวายท่านเลยอย่าอย่าไปคิดเนี่ยนะฮะอย่าไปคิดเอ้ยเท็จเป็นไปไม่ได้อย่าไปคิดน ะ, ะมันเป็นเรื่องบุญญาธิการเป็นเรื่องบารมีธรรมของมนุษย์พิเศษก็มนุษย์พิเศษเป็นเหตุผลวิสามันไม่ใช่เหตุผลสามันเรายกถวายท่านเลยนะ ไม่ต้องมีคิดถ้าไม่เชื่อก็เฉยๆไว้เพราอถ้าไปคิดวิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยเพราะว่าเราเราบัลลางกไกลจากาท่านมากบารมีท่านอันนี้องค์หนึ่งนะฮะองค์หนึ่งก็เป็นรบัพระพุทธเจ้าก็ไปอยู่ภูเขาขันธามาอันนี้เป็นเรื่องแปลกไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันนะฮะปกติ ข, ขันธามาจแสดงอยู่แถบปขาคยมาลายนะะั่นแหละก็ไปอยู่ที่ภูเขาขันธามา ต่มามีอีกท่านหนึ่งเป็นเป็นเครือบดีนะฮะเป็นพ่อค้าก็มีคู่สามีปัญญาคู่หนึ่งเดินมาเมียก็สวยอันนี้มันใจมันบุบกันนึกรักเมียชาวบ้านครับเจ้าเมียชาวบ้านแต่บันบูบก็บูบทันทีเป็นแก่นนะฮะเกิดสะดุ้งตัวเองทันทีเลยโอ้ความคิดของเราเนี่ยไม่เกิดมาเราคิดอยากชาคิดสกปรก คามคิดไม่สะอาดเท่านี่ยจะนําไปสู่นรกได้ก็ยืนตรงนั้นเหมือนกันนะนะฮะอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราเห็นว่าสติสัมปชัญญะนี่มันมาเร็วมากพวกนี้มันไม่มันไม่ใช่คนธรรมดามันวูบไปก็วูบปลับได้เลยนะเกิดจิตตกมันก็ตกกลับแต่เลยเหมือนของหลนเนี่ยเรียกว่ายังไม่ทันถึงพื้นมันก็คว้าได้มันก็ไม่แตกมันลักษณะเร็วมากสติสัมปชัญญะเขาจะเร็วมากคิดปั๊บก็คิด สติก็ขัดตัดกระแสกับอารมณ์ได้ทันทีเลยแล้วประคองจิตไว้ได้ก็มองเห็นว่าเป็นความคิดที่ไม่สมควรความคิดที่ก่อบริกวรกวมตกนะตรงนี้เราจะเห็นว่าข้อแรกเป็นโลภะแต่ว่าอันนั้นมั น, มนคนแรกนะี่ลงมือดื่มเลยลงมือขโมยเลยอันนี้ไม่นะฮะมันอยู่ที่จิตลับอยู่ที่จิตอย่างที่เคยเคยพูดเคยเน้นนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องชีวิตจริงๆเ ป, เ, ปเป็นเรื่องชีวิตประจาําวันว่า ยิบมันเดินของมันยิบมันเดินของมันเช่นอาทินนาทานเนี่ยเราจะเห็นว่าท่านแรกเนี่ยอาทินาทานไปแล้วท่านที่สองเนี่ยมันไม่ใช่กาเมสุมิชฌาจารย์แต่มันเป็นมันเป็นความตรึกนึกด้วยอำนาจกามปิตุกหมายความว่าถ้าชั้นจิตแล้วจริงๆมันเดินมาถึงชั้นที่สามมันเป็นการละเมิดธรรมะไม่ใช่ละเมิดศีลคือศีลเนี่ยหมายความว่าทําเองที่ชายคนหนึ่งทําก็ผิดศีล อันนี้ไม่ฮะมันคิดแต่นั้นเองมันคิดด้วยความยินดีแต่นั้นซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนคิดเท่า น, นั้นเองไปคนรู้คนอื่นก็ไม่รู้ว่าเราคิดยังไงตรงนี้จึงกลายเป็นมโนธรรมลว้ลวนๆนะฮะกมาามาท่านผู้นี้ต้องมีมโนธรรมภายในใจท่านแต่อย่างที่เคยเล่านะฮะอย่างที่เคยเล่าว่าไอ้ความซื่อสัตย์ต่อ ต, ตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราคิดอย่างนี้เราถือเราคิดผิด เราแก้ได้เราก็แก้เราแก้ไม่ได้เราก็หาคนอื่นมะาช่วยบอกให้เราเนี่ผมผ ม, ผมคิดอย่างเนี้ยอย่างคล้ายๆที่เล่าคือเรื่องระวังคีดสาบบางคีสาบไปบินทบทัติไปเจอสาวสวยๆเข้าแล้วเกิดตึกนึ ก, นกด้วยอำนาจการมีตกมันมันมันเดินบินทบาติแล้วก็แล้วก็กลับมาแล้วยังไม่หายมันตามใจมาอยู่ไปเล่าให้พระอานนท์ฟังอผมคิดอย่างนี้ผมแย่เลยนะแต่เท้าต้องช่วยนะคิดไปสารภาพความคิด เด่นว่าต่อมาทั้งก็เป็นพระหานทํากันมันอยู่ที่มนโนธรรมมันต่างกันมนโนธรรมมันต่างกันในคนเราบางทีจับได้คาหนังคาเขาครับโมดของเขาจับได้คาหนังคาเขายังเถียงฉอดฉอดฉอดจหาวาใส่ร้ายก็อีกมันมันต่างกันเยอะฮะใจมันต่างกันเยอะเลยเพราะงั้นตอนนี้ท่านก็ยืนเจริญวิปัสสนาก็มองจากผู้หญิงคนนั้นเองแต่มองใหม่แล้ว มองมัยในแง่ของอสุภะมองง่าย ใ, ในแง่ของความไม่เที่ยงเป็นผูกเป็นน้าตาก็มองแล้วก็มองมาหาตัวมองไปรอบๆตัวมันก็มองเห็นเหมือ น, น, นกันไม่มีอะไรที่น่าจะยึดมัน่นหือมั่นอะไรอันนี้เรียกว่าคิดได้คิดคิดระดับปเจกบูติยานนะฮะแต่ว่ า, าลองสังเกตวัฏฐานในสําคัญมากจิตมันแกวงได้นะเกวรควรรอในจิตมันแกวงได้แต่ดึงกลับมาได้หรือไม่สําคัญที่สุดมันก็อยู่อยู่ที่ ตรงนั้นคล้ายๆก็เราขับรถมันสายได้นะสายได้แต่เราคุมกลับไม่ให้ตกถนนได้หรือไม่แต่เราคุมได้มันก็ไปได้นะครับไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าคุมไม่ได้มันก็ตกถนนตรงไหนก็ได้เหมือนกันนะฮะบางทีก็ตอนถอยรถก็ตกแล้วนะอันนี้ ก, ก็คือก็คือลักษณะขอ ง, ของจิตที่ได้รับการฝึกปลือมีบารมีอยู่ภายในใจมีภูมิคุมคันใจเพราะฉั้นท่านคิดตรงเนี้ยขอท่านได้ เดิน ม, มีปัสนาบรรลุมรคนเป็นพระปัเิเเกพุทธเจ้านะแล้วก็ไปอยู่กรกัดธรมะมาอกัน อ, าาอีกคนหนึ่งอีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึ่งตอนนี้อีกคนหนึ่งนะแจริงไม่ใช่คู่หนึ่งคือว่ามันมีโจเนี่ยตั้งกองตักจับคนอยู่สมมุติว่าเดินมาพี่กับน้องมันก็จับพี่เอาไว้หรือจับน้องเอาไว้แล้วก็ส่งพี่ไปหางเงินมาเรียกคัดไทย สามีก็ัญญามันก็จับสามีไว้แล้วก็ส่งพัญญาไปหาฆ่าไทยอะไก็จับเลยๆที่มาถึงชุดหนึ่งเนี่ท่านรู้สงฆ์คนพ่อลูกรู้เพราะตรงเนี้ย ม, มันมักจะมีโจรจับคนนะไปเรียกฆ่าไทยนี้ทำยังไงเราตกลงกันนะฮะว่าเราต้องปฏิเสธว่าเราไม่ได้เกี่ยวอะไรกันพ่อก็ต้องโกหกนะ แล้วก็ลูกก็ต้องโกหกแล้วโกหกโจร น, นะที่จริงก็ไม่ใช่บาปกรรมอะไรนักหนาหรอกคือบาปมันไม่มากมันโกหกคนเลวนะแต่ว่าบาปนะไอ้นี่คือคื อ, ค, อคือมองท่านท่านใจว่าท่านไม่มองประเด็นของข้อกฎหมายและท่านมองประเด็นของธรรมะมองประเด็นแบบมนโนธรรมมองประเด็นของมนโนธรรมเพราะฉนั้นพอไปถึงโจรมันก็จับจริงไม่เจอโจรกั ก็ต้องการจะจับคนหนึ่งไปแล้วให้คนหนึ่งไปเอาเงินมาถายทั้งคนต่างประเทศไม่รู้จักกันก็ไม่รู้จะเอามาให้อย่างไรเราไม่รู้จักกันนะพ่อก็บลูกลนะกันนะพ่อก็บลูกแต่บอกตกลงกันไว้นะฮะตกลงกันไว้ก็ตลกลงว่าทั้งทั้งสองคนเนะี่ต้องโกหกด้วยกันว่าไม่ได้เกี่ยวกันไม่ได้เป็นพ่อลูกกันไม่ได้รู้จักกันโจ้รู้งชะ ในที่สุดเนี่ยแท้ก็ดูดรอดมาจากตรงนั้นแต่ก็เกิดสํานึกผิดบัตรหัวเหวินแก่ทรัพย์เพียงเล็กน้อยแต่ว่าต้องทําบาปอันนี้ประเด็นสาคัญ น, นะะประเด็นสาคัญว่าการมองเราจะเห็นว่าบาปที่เป็นมูสาวาสเนี่ยเป็นเหตุให้ตกนรกได้แต่ว่าการขาดทรัพย์การสูญเสียทรัพย์เนี่ย เราก็ให้ทุกนิดหน่อยนะให้ทุกที่เป็นทิฏฐธรรมเท่านั้นเองให้ทุกที่เป็นปัจจุบันนั้นเองช่วงมันไม่ยาวอะไรอะ่ะนั้นการการการมองจุดนี้เป็นการมองจุดเทียบเคียงว่าระหว่างทรัพกับการทําบาปการทําบาปเพราะเสียดายทรัพยโดยการทําบาปเพื่อได้ทรัพย์การทําบาปเพื่ออยากยกทรัพย์อะไร่ะไรก็ตามนะฮะท่านเ่านี้จะมองละเมียดมาใหม่มา แต่ว่าไอ้ชักสำนึกนี้เนี่ยเมื่อก่อ น, นความกลัวเนี่ยมันครอบงําไว้มันคิดไม่ออกมันคิดไม่ออกความกลัวตายกับความกลัวทรัพย์จะสูญหายมันก็กลัวสองกลัวคือหมายความว่าในตัวเองเนี่ยก็กลัวจะเป็นอันตรายในตัวทรัพย์ก็กลัวจะสูญหายแต่พอสติสัมปชัญญะก็คืนมาก็าคืนมาเร็วนะฮะมายความก็เลยไปหนก็คิดได้แนละ้วพวนี้บรรลุในป่ากันทั้งนั้นนะบรรลุในปา่า มาเกิดคิดได้ว่าเราเนี่ยไปทำบาปประเหตุพระเหตุแห่งทรัพย์ไม่ใช่เหตุขนชีวิตเขาไม่จับฆ่านะฮะเขาไม่ได้จับฆ่าจริงๆเขาต้องการเรียกค่าไถ่เท่านั้นก็มองเห็นว่าบาปเนี่ยมันติดตัวแต่ว่าทรัพย์นั้นที่เราเสียดายที่เรายอมทำบาปเนี่ยมันไม่ติดตัวคนเราถ้าคิดได้ตรงนี้ดีมากนะจะทำยังไงถึงจะคิดได้ อย่างน้อยก็อย่าถึงกับไปกออโกยช้อฉชนในทางทุงจริตทั้งหลายนะฮะแสวงหาในทางที่ไม่ชอบไม่ควรคุมระดับศีลธรรมจญญริยาก็ไม่ต้องออกไกลมากๆากนะะบ้านเมืองก็จะดีขึ้นแย้นี่คือมโนธรรมรำเนกที่ท่านเกิดคิดขึ้นมาแล้วก็มองตพวนี้จะเิีในปัสชนาหมดนะฮะเรินปรนา มองสัตว์มองสังขารทั้งหลายในแง่ที่เรื่งของไม่เที่ยงเป็นทุกประปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาตัวเราทรัพย์สมบัติของเราเนี่ยก็ต้องแตกดับแต่ว่าเอาจริงๆบาปกรรมเลยมันมันยังไม่ได้ให้ผลก็ยังไม่แตกดับไปนะฮะยังเป็นโหสิกรรมไปก็เกิดสลดใจก็จะเริญปราสนาแล้วก็บรรลุมรควุ่นมือ นะก็กลับไปสู่ภูเขาคันต่ำันนั้นเราต้องเห็นนะฮะเป็นเรื่องสีแต่นั้นแหละตลอดคนแรกคนแรกก็เป็นอาทิตนทานคนที่สองในที่จริงไม่ถึง ก, การเมธุมิชาาจารย์มันเสียระดับการสังวรนะฮะมันไม่ถึงระดับระดับจิตเสียงกามีคนที่สองก็มูสาวา อย่างที่อย่างที่เคยบอกนะครับว่าบาปกรรมของมนุษย์เนี่ยถ้าเราสรุปแล้วเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยนะมันเป็นความผิดที่เกี่ยวกับชีวิตความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ความผิดที่เกี่ยวกับทางเพศนะความผิดที่เกี่ยวกับการพูดในทางตจริตกท่านั้นเนี่ยนะมีสี่อย่างนั่นเองพระพุทธเจ้าเรียกว่ากรรมกิเลสพูดแล้วเนี่ยเราเร า, เราจะโยงดูก็ได้นะ ที่เราพูดถึงว่าอำนาจเพศตัวกันข้ามนะฮะที่จริงผู้ชายพูดเราผู้หญิงผู้หญิงผู้เราผู้ชายแล้วก็เงินตราเนี่ยสี่ตัวสามตัวเนี่นะสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่มนุษย์ยื้อแย่งกันแล้วท่านจะเห็น ว, ว่าจริงๆแล้วเป็นตัวที่เป็นเอเรศิตร์สีนั่นเลยเป็นเอเรศิตร์สีผิดธรรมแล้วมาเกิดจะโลภะโทสะโมหะอย่างนั้นเลยเป็นสงก ร, รุงรุ่งรามอะไรแต่ละที่รบกันมั่วไปหมดเลยนะในปัจจุบันแม้แต่ในคาเมร์ดาวเนี่ย ในคัมเหนเนี่ยมาเคยคุยกับตัวใหญ่ในในคัมเหนนะฮะตัวพระที่เป็นภู า, า, าิใจจังของพวกนี้นะมาคุยกันที่วัดเนี่ยก็มาวาันนี้คุณไปคุยกับพวกนี้สามสี่คนเด็กเลือกอยากใหญ่ที่ให้เด็กมันใหญ่มันไม่มีปัญหาหรอกคัมเนนะ่ะที่ปัญห า, าหมายความไอ้คนแก่สามสี่คนนี่มันอยากใหญ่ แล้วอยากจะเป็นในตําแหน่งที่มีตําแหน่งเดียวนะ่ะอยากเป็นสี่คนมันก็เป็นไม่ได้คพทุกคนไม่ยอมเป็นนะแล้วสร้างคนรุกใหม่ขึ้นมาให้เขาเลือกตั้งกันให้เรียบร้อยแล้วเราไม่ยอมเราเป็นพี่เดียงให้ลูกหลานเก็จบละลดความอยากลงไปเนะมันลดไม่ได้ก็มั่วๆอย่างเงี้ยมันจะเลือกตั้งได้เ ร, เรา มันไม่มีอะไรเลยนะฮะรองนักเกตดูเป็นเรื่องของคนแก่ที่ไม่ ท, ไมที่ไม่ยอมหยุดนะฮะไม่ยอมหยุดตัวเองนนัเองซอนซานก็เท่าไร่แล้วเสียนูก็เท่าไร่แล้วหุ้นเซนก็เท่าไร่แล้วมันแก่จะตายแล้วพวกเนี้ยแต่มันไม่ยอมหยุดตักจีสิ่ ง, งนะีเพราะฉะั้นพวกกิเลสตัณหาทั้งหลายที่มันเกิดอยู่ดูดูข่าวบ้านเมืองตเราสาวลึกละเห็ยนะฮะทั้งหมดมันไม่มีอะไรเลยมันเป็นเรื่องของ ตัวเองเนี่ยเป็นศูนย์ใหญ่ตัวเองก็พวกของตัวเองนะฮะกวากลัวตัวเองจะไม่ได้ไม่เป็นไม่มีนะก็สรุปแล้วก็ไม่มีอะไร ก, ก็จริงที่ต้องการก็คืออํานาจเงินตราผลประโยชน์ทั้งหลาติดตามจิเพราะการการมองในแนวนี้ที่ท่านมองเนี่ยนะครับต้องมองเทียบเคียงระหว่างสิ่งที่ครอบครองรเราเชืว่าอํานาจก็ดีเพศตรงข้ามก็ดีเงินทราก็ดี มันมั น, ม, นมันเป็นไตรลักษณ์นะฮะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นนารตามันเห็นได้ชัดมากโดยเฉพาะอมมานี่เห็นได้ชัดมากๆเลยอำมาจเนเป็นอนิจจตาที่ชัดเจนมากนะนอกจากซัวโต้ อ, อยู่นานหน่อยนี่ยอาจจะอยู่ไดถ้ถึงสามถึงสองปีเก่งตัวนี้เอเซียเรานี่อยู่ได้นานๆนะฮะอ้นานๆแต่บางก็ไม่เที่ยงไงนะฮันก็เที่ยงก็เด็กก็เริ่มต่อตดด้านนะ แต่เราไม่มองในแง่ใจหลักมองว่าบาปกรรมเนี่ยมันติดตัวนะบาปกรรมเน่ติดตัวแต่ว่าสิ่งที่เราลงทุนทําบาปเนี่ยมันเป็นของสาธรารณะแย่งกันมาแย่งกันไปแย่กันอุตลุดของชิ้นเดียวเนี้ไม่รู้ใครครอบครองเราดูประวัติอัญญบณีบางอันนะฮะบางอันโอ้ยถ่ายทอดมาไม่รกี่ชั่วคนเีนะ เจ้าของตายไปแล้วเยอะอย่างที่พูดถึงพัดเจ้าคุณทั้งหลายอย่างพัดกอตมาก็เหมือนกันนี่นนะฮะพัดผีอะคือคนตายมาเยอะแล้วคนตายาเยอะแล้วเราเอามาถือของเก่าๆนึกว่าตายไปแค่ยี่สิบคนได้แล้วก็มานั่งถือไปรเดี๋ยวเราก็ตายเพื่อนก็ต่อต่อก็ตายไปอีกก็เป็นการมองของคนที่มีปัญญา แล้วก็พยายามได้จะแสวงหาประโยชน์ที่สูงสุดในสุดทั้งก็บรรลุเป็นประบาทเกับพุทธเจ้าต่อมาอีกคนหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะฮะเป็นนายาอำเภอมันมีเทศกาลเขาเรียกว่าโสมยาคษะเป็นพิธีบูชาเทพเจ้า ถ้าสัตบูชายันก็คนก็มาขออนุญาตขออนุญาตตั้นายอำเภอตันอำเภอก็อนุญาตอนาอนาบงคนก็ค่ายเยอะนะนพิธีบูชาเทพเจ้านะคือเราจะเห็นว่าที่ที่เนปาไปเนี่ยมันมีพิธีหนึ่งที่น่ากลัวมากเลยบูชาเทพเจ้า ไอ้มีดมีดมีดในปลาเนี่ยมีคล้ายๆกับมีดกุรข่าแต่มันโตกว่านะฮะ ว, วิธีมันโคง้งโคงเนี่ยแล้วโค้งกลับอย่างนี้เอาโค้งมาตัดคอชั่วช่วขาดทีเดียวนะมีดดักแล้วก็คมมากแล้วคนตัดแข็งแรงมากชั่วชั่วช่วตัดเป็นไม่รู้กี่ตัวเลยวิธีเนี้ยคล้ายๆกันเนี้ยโสมายาฆาาเนี่ยมืชาในการฆ่าสัตว์ วันพออนุญาตปับ๊บบางกษาตริยกตายเยอะการฆ่าก็าาเยอะนายอำเภอก็ก็สะดุ้งอันนี้ผิศีล น, นะพิศีลหมายความว่าตัวเองไม่ฆ่าเองแต่ให้คนอื่นฆ่าใช่คนอื่นฆ่าหรืออนุญาตให้คนอื่นฆ่าที่จริงแล้วเนี่ยบางทีก็ทํำตามกฎหมายนะแต่ว่าจริงๆก็มีส่วนร่วมนะก็เรียกมีเจตนาร้วยก็กดสลดตูดๆใจตายแล้วนี่เรา นี่ถ้าเราไม่อนุญาตเราห้ามก็หน่อยเดียวนั่นเองนะฮะเขาก็ไม่ฆ่าอันนี้ก็คิดแลเมียดราไมนะฮะมาจ่เลนมันก็อยู่อันดับที่สามไม่ใช่ที่สองไม่ฆ่าเองนะแต่ก็ใช้คนอื่นฆ่าเพียงแต่ว่ามันไม่แรงตรงๆมันเป็นระเบียบทางราชการก็ขอก็อนุญาตไปนะแต่เราก็มีส่วน มีส่วนในการทำบาปอั น, นี้มุมมองนะท่านเดนว่าคล้ายๆกับพระเตมีท่านมองไนฮะคล้ายๆกับพระเตมีท่านมองพระหมหาคาถาปะท่านมองเนี่ยพระเตมีท่านมอ ง, นะ ท, ม ท, มองที่ท่านไม่ยอมเป็นกษัตริย์ไม่ใช่ไรคือท่านรู้ไอ้จากสถานะเราเานี่ยมันจะทําบาปแย่เลยบางทีก็มีเอานี่จงประหารชีวิตก็ต้องสั่งประหารเขาต้องทําบาปเยอะแยะเล ย, ย, ยนั่งตรงเนี้ยมันมันต้องทําบาปแย่ เ่อท่านไม่อยากเปนะ็น่ะแต่มันคิดแบบพระเตมีนะะคิดแบบพระเตมีคิดแบบระดับพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ทคิดได้นะะแต่สามัญชนคิดไม่ได้คิดได้แต่ก็ทำไม่ได้เพราะงั้นท่านก็คิดมันเชื่อมโยงจากท่านเพราท่านมีส่วนที่จะปลุกเราให้เกิดการฆ่าหรือสนับสนุนให้เกิดการฆ่า ก็คือที่เคยเล่าถึงถึงถึงนักแสดงนะฮะนักนักมักไร่รำนักดนตรีนักไร่รำที่มากราบทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าครูาอาจารย์สอนเขาว่าก็ตายไปแล้วจะเกิดเป็นเทพเจ้าราว่าได้ทําบุญได้ช่วยเหลือประชาชนนะเกิดความรุ่นเรืองนะฮะก็มาถามพระพุทธเจ้าว่ามันจริงหรือเปล่าพระเจ้าบอกอย่าตอบเลยมอยากจะตอบด้ยอย่างเงี้ยพูดแล้วก็อ้อนวอนขอให้ตอบนะค รักาคนที่ตอบเลยจะเสียใจนะไอ้ก็ตอบพระเจ้าก็อธิบายความบอกมันไม่ใช่มันไม่ใช่สวานานารสดิ์นะโรคเลยเพราะอะไรเพราะคนก็อยู่ปกติไปปลูก้เขามีกิเลสนะพวกพวกการแสดงทั้งหลายไปปลูกเราให้มีกิเลสมีราคะมีโทสะบางทีเดี๋ยวเนีย่ยให้อร้องที่เต้นอะไรๆเนี่ยไปยั่วยวนกิเลสก็เยอะกิเลสก็อยู่ยงเยี่อ่ะเด็กระตุ้นเด็กเขาเกิดกิเลสกระตุ้นให้เกิดโลภะเกิด เกิดโทสะเกิดราคะเกิดโลภะเกิดโทสะมันก็ตุ้นสอ ง, ง, งตัวนี้เกิดโมหะกิดบาที่จริงก็เป็นการทําบาปไม่ใช่ทําบุญหรอกอันนี้เป็นการมองในระดับที่ประณีตนะฮะไม่ระดับโลกโลกเป็นระดับที่ที่คนก็จะเป็นจะเป็นพ ร, ระปฏิเฆพุทธเจ้าแล้วท่านท่านมองเชื่อมโยงกับท่านการตายของสัตว์นี่เชื่อมโยงกับท่านแต่จริงเชื่อมจริงไงนะฮะ จริงมันไม่มันไม่ใช่เชื่อมในลักษณะว่าพาไม่กินเนื้อสัตว์ก็ไม่ฆ่าสัตว์ไอ้นั้นมันไม่เชื่อมหรอกมันไม่เชื่อมเพราะมันคนละเรื่องกนละเหตุกนละผลกนละเจตนากันได้คนละเจตนากันมันไม่เชื่อมขนาดนั้นถ้าเชื่อมขนาดนั้นมันก็ทําอะไรไม่ได้ไเรื่อง่ไกลมูลกรณีนะไกลจากมูลกรณีคือถ้าเราเชื่อมอย่างนั้นก็แสดงว่าสร้างถนนก็ต้องเป็นบาปนะ เพราะว่าการมีถนนทําให้รถวิ่งรถวิ่งทําให้เกิดอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุทําให้คนตายเพราะงั้นการคนข้ามถนนเป็นบาปด้วยแล้วก็มั่วหมดเลยทีนี้ไม่ต้องทําอะไรกันคือมันไกลไปอันนั้นก็ไกลไปหรือก็เอาเฉพาะที่มันที่มันเชื่อมกันจริงวเจตนาเนี่ยมันเชื่อมกันเพราะงัการตายเนี่ยมันเกิดขึ้นจาตรง น, นั้นจากจุดที่อนุญาตให้ฆ่าเพราะเขาขออนุญาตฆ่าแล้วท่านก็ให้ฆ่า ก, ก็ตาย หลายก็ต่านเชื่องกับท่านท่านก็เกิดเป็นทุกข์ใจไม่สบายใจเพราการกระทำาบาปเนี่ยจะสำนวนบาลีท่านใช้คําดีนะน่วงเหนียวไปสู่นรกแปลกนะใช้คําแปลกแก็มันดึงลงไปเลยใช้คําดีมากมันเป็นรูปธรรมนะย่อมน่วงเหนียวไปสู่นรกได้เขาฉี่มากเลยมาเ อ, อิ้มเป็นรูปธรรมดีดึงลงไปนะฮะดึงลงไปเลยน่วงเหนียวมันมีเชือกใกล้ๆเป็นเชือกะที่ดึงลงไปเลย ย่อมน่วงเนียวไปสู่อรมภาษาท่านใช้ดีมากเราเห็นเป็นภาพเลยว่าจากการทาบาปเนี่ยเป็นเหตุถูกดึงถนะูกดึงให้ตกต่ำลงไปเรื่อยๆอยแล้วในสุดก็ออกบดเป็นปรูปรเตจกับบุตตะต่อมาอีกท่านหนึ่งท่านนี้เป็นครูบาอาจารย์ของคนสั่งสอนคนมาเยอะที่ีมันมีเทศกาลนะ มีเทศกาลเดี๋ยวต้องมีการดื่มเหล้าขั้นนี้ก็สั่งสอนลูกศิษย์มาเยอะนะฮะคือคือคือคืออย่าลืมไอ้ศีลห้าเนี่ยมันศีลคู่โลกโดยเฉพาะสีข้อแรกเนี่ยมันคู่โลกโลกถ้าขาดศีลสีข้อแรกก็เสร็จเลยมันอยู่ไม่ได้นะฮะแต่ศีลศีลข้อที่ห้าเนี่ยมันก็มีบางยุคบางสมัยนะฮะบางยุคบางสมัยแล้วก็บางแห่ง บางแห่งก็เป็นความนิยมที่เขาดื่มกันอะไรแต่ไหกับปกติเขานะฮะศาสนาบาศาสนาก็ใช้แต่ว่าสีข้อเนี่ยไม่ได้ฮะประพฤติผิดเกี่ยวกับชีวิตที่เกี่ยวกับทรัพย์เกี่ยวกับทางเพศเกี่ยวกับการพูดเท็จเป็นต้นเนี่ยนะมันเป็นสักลมไม่จะเป็นเนต้องมีพระพุทธเจ้าหรอกเขามนุษย์ก็ต้องคิดขึ้นมาได้แหละเพราะมันกระทบตัวแรงเลยเกินนะดังนั้นไอ้ครูบาอาจารย์หลังจากที่สั่งสอนเนี่ย สังสอนมานานประลุสีมาอดอ้อนข้าอาจารย์นี่ปันเทศการนะอันนี้ปันเทศสการนะเมื่อควรจะดื่มเหล้าได้อาจารย์ก็จะทำยังไงก็อนุญาตนะฮะโปอนุญาตเนี่ยมันมาพวกพวกนี้ไปดื่มดื่มเสร็จแล้วมันก็เมาเมาก็ทะเลาะทะเลาะกันก็ทุบตีกันมือหักขาหักแก๊กหักจนถึงก็ล้มตายโอ้นี่มันเชื่อมได้สนิทเลยนะฮะ ว่าถ้าอาจารย์ห้ามลูกจิตไม่ให้ดื่มเหล้าเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันไม่เกิดแนวการมองเนี่ยเขาเรียกว่ามองตัวปัญหาจำนวนบาลีเขาเรียกว่าอาสวะสมุทยัยคือเหตุเกิดของปัญหาอาสวะนิโรธคือการดับตัวปัญหาแล้วอาสวันิโรธกรรมนิปฏิปตาวิธีการวิธีการที่จะดับตัวปัญหา เป็นการมองอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจะสอนมองในสีระดับให้เห็นในสี่ระดับพูดง่ายๆนะว่าปัญหาเหตุเกิดของปัญหาการไม่มีปัญหาแล้วก็หลักการวิธีการที่จะแก้ปัญหาก็คือโครงสร้างอารยสัจท่านมองเห็นปัญหาปัญหาโน้นล้มตายแข้งหักขาหักอะไรหลายบาดเจ็บแต่แยกกันมันมาจากอะไรมาจากการดื่มเหล้าการดื่มเล่ามาจากอะไรมาจากคนที่ ได้รับการอนุญาตให้ดื่มเหล้าใครเป็นคนอนุญาตฉันเองเห็นไหมฮะแต่ก็บอกว่าฉันเองเป็นคนอนุญาตนี่ถ้าฉันไม่อนุญาตทุกอย่างมันไม่เกิดขึ้นวันความพิบัติเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคราวนีน้เพราะฉันเป็นเหตุบาปกรรมเหล่านี้ตัวเองไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาแล้วฮะแต่ว่าตัวเองเป็นเป็นต้นเหตุเป็นต้นเหนเนตเหุแต่ว่าบาปนี่มันก็แปลกคือบางทีมันให้ผล ให้ผลเร็วนะฮะบางทีก็ให้ผลช้าแต่ทําให้คนที่ในขณะที่บาปยังไม่ให้ผลเนี่ยเขาเขา ก, ก็ก็รู้สึกว่าเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่ไม่มีเน่ะนะแต่ว่าคนที่สำนึกเนี่ยเขาไม่ต้องรอให้ให้ผลคือคือว่าปั๊บก็ปุ๊บเลยก็ เ, ยเห็นทันทีแต่ตรงตรงนี้แต่เราตั้งใจเราเห็นช้ากว่านะเห็นช้ากว่าคนโน้นคนที่เห็นเมียชาวบ้านแล้วเกิดปุ๊บเลย ป, ปั๊บเลยนะ คือจิตมันไปวูบแล้วท่านกลับมากลัมบมองวูบนี่มาได้เร็วมากองค์แรกเนี่ยถึงกระดือพอแล้วนะฮะองค์แรกเดี๋ยดื่มก็แล้วองค์ที่สามก็โกหกแล้วองค์ที่สามเนี่ยโ ก, กหกไปแล้วองค์ที่สี่นี่สั่งก็าฆ่าไปแล้วหลังจะสัตว์ตายไปแล้วจึงได้คิดใช่ไหมฮะองค์ <S <S <S ที่ห้าเนี่ก็เหมือนกันองคที่ห้านี่หลังจากคนดื่มเมาตายไปแล้วมันกินเวลาเยอะนะฮะกว่าจะตีหัวกันเนี่ยก็เรียกว่าเป็นชั่วช่วโมงไงยนะกว่าจะตื่ได้เพราะงั้นองค์ที่สองนี่ท่านเห็นว่าเฉียบที่สุด เฉียบมากเลยมาจิตตกปั๊บดึงปุ๊บกลับมาเลยเป็นอาชาในนะเป็นลักษณะาอาชาในที่ไวมากคือจิตเนี่ยมั น, ม, นมันตกได้เรื่อยนะฮะคือทำยังไงจะดึงมาได้ตกปั๊บก็ดึงมาปุ๊บอาจจะถึงเงื่อเงือมือนะเงื่อมือจะต่อยก็แล้วก็ไม่ต่อยอลดมือลงไปได้อันนี้ก็แสดงว่าสติสัมปชัญญะมาทันเราก็ มีปัญหานิดหน่อยนะฮะในตัวเราแต่ไม่ถึงกับไปไปไปเดือดร้อนคนอื่นคือบาปมันก็มีแล้วนะฮะบาปมันก็มีแล้วในแง่ของบาปเนี่ยถ้าอะไรบาปก็คือบาปเพราะบาปมันไม่ได้อยู่ที่ใครชี้ว่าบาปหรือไม่บาปบาปมันอยู่ที่จิตมันคุณมัวหรือเปล่านะถ้าจิตคุณมัวก็คือบาปเท่านั้นเองไม่ต้องพูดแล้วถ้าจิตไม่คุณมัวก็ไม่บาป เพราะบาปบางเกิดขึ้นในจิตคุณโมด้วยโลกก็ได้โกรกก็ได้หลงก็ได้นะแต่ว่าลักษณะความรู้สึกเหล่านี้มันมันมันไม่ใช่ขุนโมเสมอไปนะเราจะเห็นว่ากิเลสประเภทโลภบางทีมันไม่ขุนนะมันสนุกอ่ะมันเพลอเนี่ยนะมันเพลินนะแต่ว่าก็น่าคือบาปก็คือบาปเหมือนกันเราก็ต้องดูถึงผลกระทบมาอีกทีหนึ่งว่าถ้าเราดูตัวนั้นไม่เห็นเราดูถึงผลกระทบว่าถ้าเราไม่ได้เป็นไงมั้ง เราพลาดพลาดไปอย่างไรไหมเราจะเห็นว่าถ้าไม่ได้ไปจะเกิดโทสะถ้าพลาดพรากจะเกิดโศกเห็นไหมตรงนี้จึงกลายเป็นบาปเห็นได้ชัดมากเลยเาะบางทีสนุกสนานเต้ น, ตนร้องเต้นรำเนี่ยเราก็ไม่รู้มันมันสนุกดีอะก็สนุกดีแต่ลองตั้งเกตดูว่ามันจะจบแกว่งไปด้วยความโศกกับความถูกอย่างใดอย่างหนึ่งก็แล้วแต่บางทีก็ทั้งสองอย่างนะฮะ ในจุดนี้พระอาจารย์ก็คือสลดใจเหมือนกันวุตายนี่เราไปทำอย่าง น, นี้ก็สร้างบาปสร้างกรรมมากลกลบาปกรรมนี้ก็จะโน่งเนียวห้สุดรืโรค ก, กันที่ว่าเนี่ยในสุดก็จะเดินบัศาสนาตรงนั้นเหมือนกันอ๋อไม่ใช่อง์นี้เป็นเอ่อว่าอ๋ อ, อ, อไม่ใช่องอ์นี้ยังยังเป็นระโพธพระปเจ้าพระพุทธจ้าอยู่แล้วในที่สุด ก็ไปสู่ภูเขาขันธนะมาก็ตกลงห้าองค์นะฮะไปพบกันพระประเจเิญกับพระพุทธเจ้าทั้ง5้าเนี่ยต่อมาก็พร้อมใจกันมาที่เมืองพาราณสีระชาชทราบข่าวว่ามีพระปเจรกับพระพุทธเจ้ า, เจ า, เจ า, นานานเจอนะฮะพระปเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยตั้งก็มาพระบริวารของพระก็คุยกันคุยประวัติความเป็นมาถึงความคิดว่าท่านท่านท่านเนี่ย คือบางคนท่านรู้จักนะครับพระอาจารย์ท่านัเพราะท่านคิดยังไงอะอะไรเป็นเหตุอะไรเป็นเหตุเป็ น, ต, ปนตัวกระตุ้นเร่งราวให้ท่านเกิดออกบวดตั้งสี่ห้าท่านก็เล่านะฮ ะ, อ, ะองค์หนึ่งก็เล่าถึงการไปดื่มน้าของเพื่อนแล้วเกิดสนึกบาปในการที่ไปขโมยดื่มน้าของเพื่อน ที่สองก็เล่าถึงกิตไปยินดีในพันยาของชายอื่นในเะกิดสำนึกบาปในเรื่องเหล่านี้องค์ที่สก็บอกถึงเรื่องมุสาวาดนะก็ปฏิเสธพ่อตัวเองแต่ท่านพูดกับาว่าปฏิเสธพ่อตัวเองว่าไม่ใช่พ่อท่านละอายแก่ใจตรงนี้นอกจากมุสาวาดแล้วนะไปบอกต่อสาธานาชนไปการปฏิเสธพ่อตัวเองว่าไม่ใช่พ่อตกลงมุสาวาทตรงนี้มันก็กลายเป็นมีปัญหาสองตอน ตอนหนึ่งนะเป็นมุสาวาตแท้ตอนหนึ่งนั้นคือปฏิเสธปุปการีปฏิเสษพ่อพ่อไม่ใช่พ่อเป็นการบอกต่อคนอื่นนะบอกต่อคนอื่นปฏิเศษปุปการีตัวเองเพราะงาั้นท่านท่านเลยเลยหายก่ใจคนที่สี่ก็พูดถึงเรื่องอนุญาตในการฆ่าสัตว์ในพิธีโส ม, โมะโสมายาค เอาที่ห้าก็เล่านะฮะก็เล่าถึงการที่อนุญาตให้ลูกศิษย์ดื่มเล่าอ่ะเดี๋ยวสนึกแบบต้องลงว่าท่านทั้งหลายสังเกตนะฮะศีลศีลศีลศีลห้านะฮะจริงก็คือศีลห้าเห็นนะฮะศีลห้าแต่นั้นเดงมันมีข้อที่หนึ่งก็คืออาทินาข้อที่สองนี่เ อ, อไม่ถึงกับการเม น, นะเขาเรียกว่าชูทางใจเนี่ย เป็นผิดระดับอกุศลกัมบทไม่ใช่ไม่ใช่ผิดระดับกุศลกัมบทไม่ใช่ผิดระดับศีลก็อกรรมเองท่านที่สท่านที่สนะฮะก็เป็นมุสาวาทท่านที่สี่ก็เป็นปานาติบาแต่ไม่ใช่ตัวทําเองนะฮะไม่ใช่ม่ใชไม่ใช่ตัวทําเองท่านที่ห้าก็คือสุราเห็นนะฮะเรียงศีลชัดเจนมากเลยเป็นศีลแต่มันมันมันคนละระดับกันไม่ใช่คือว่ามันไม่ได้เรียงปานาตินากรรมเอง แต่ทั้งหมดจริงๆแล้วเน iedzieć, oh. right. <Them. S 1> ี anyway. ่ยท่านผิดศีลผิดศีลที่หยาบนะก็หยาบก็มีอยู่คนเดียวนะฮะมีอยู่คนเดียวคนแรกนั้นเองที่ระดับประนีตระดับประณีตก็คือคนที่สองระดับระดับกลางกลางนะคนนี้ก็ระดับกลางกลางไม่ใช่ระดับระดับหยาบอีกสององนะฮะองค์องค์องค์ที่สามดยองค์ที่สามด้วยมุสาวาณองค์ที่สามองค์ที่หนึ่งเนี่ย อาจารย์ว่าระดับหยาบคือคือผิดเองเลยนะผิดเองเลยแต่ว่าอีกสามท่านที่ยิงตัวตัวท่านไม่ถึงก็ผิดเป็นศีลระดับที่ประณีตศีลระดับประณีตทุกท่านเกิดจากมโนธรรมเกิดจากมโนธรรมแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนะฮะมันเป็นวัตถุกามพระราชาที่ท่านควงังท่านควังมองรวมเลย มองรวมมาทั้งหมดเป็นวัตถุกรรมการขโมยน้ํากระดี่ตัวน้ําเองก็เป็นวัตถุกรรมยินดีในพัญญาใจอื่นพัญญาอื่นใจอื่นก็คือวัตถุกรรมแล้วก็การโกหกเพื่อทรัพย์ใช่ไหมเพื่อทรัพย์เพื่อชีวิตไอ้ทรักับชีวิตมันก็เป็นวัตถุกรรมแล้วก็ค่าสัตว์ไอ้ตัวสัตว์ที่ค่าก็คือวัตถุกรมข้าพเจ้าอยากกินนะฮะอยากกินแล้วพิธีวิญญาณเล่าเองก็เป็นวัตถุกาม เพราะในคำว่ากามเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องหยาบนะฮะภาษารวมภาษารวมมโลกกับวัตถุทั้งหลายเนี่ยมันเป็นวัตถุกาลคือมันรู้จะใช้คํำยังไงเนี่ยมันรวมกนะันก็ตั้นเรียกรวมๆวัตวัตถุกาล ม, มันเกิดขึ้นจากจิตที่ไปกําหนดให้ความสาคัญแก่มันสิ่งนี้ดีเราก็อยากได้ปรตนาพอใจมีความกําหนับเพลินๆก็อยากได้ขนาดไหนรุนแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะฮะ แต่ก็มีการช่อโฉนโกหกหลอกลวนซึ่งเราเรามองถึงความคิดสังคมนะฮะความคิดของสังคมคื อ, อยังนึกว่าว่ามั น, ม, นมันคงจะต้องทําอะไรนะแต่ว่าทำอย่างได้ทำได้ยังไงก็จะช่วยกันยังไงเพราะแนเวนี้มันจะไปที่ตัววัตถุการคือเน้นการแข่งขันกันเรื่องเ ก่อนพบนักธุรกิจใหญ่คนหนึ่งเขาให้พรนะฮะให้พรว่ามีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านนะแล้วก็เอามาก็นั่งอยู่ด้วยเขาบอกโอ้ยแต่อย่างนี้มันม <build> ีแล <laughs> ้วอย่างนี้มันมีแล้วป้องก็หลายหมื่นล้านกันแล้วกันนั่นนั้นเกินึกไม่ออกเมึงจะไปเอาทําอะไรนักหนาคือการที่เราไปรวยอยู่ที่กลุ่มหนึ่งเนี่ยมันมันมันเกิดเป็นช่องบ้างนะฮะเวลานี้เราวิ่งหนีกันนะ สัญกรณ์ไทยเนี่ยแตว่าเศรษฐกิจมันขึ้นประมาณ 8% ปดอร์เตจีน 12% จีนนำนะฮะในเอเชียเราในจีนกำลังนำทั่วโลกในนิสัยจีนอเมริกายังขึ้น 3% ของเราประมาณ 8% ก็เก่งนะฮะแต่ว่าจีนนั้งสินต์แต่จริงๆถ้าเราดูแล้วคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยวิ่งหนีเลยวิ่งหนีเลยเลยเหมือนกับรถติดเทอร์โบเลยนะฮะหนีเพื่อนเลย คนอีกกลุ่มหนึ่งประมาณเจ็ดสิบเอร์เซนเนี่ยมันมันห่างถอยห่างออกไปทิ้งพี่น้องเราไ น, นะะทิ้งห่างเลยคนจนก็จนเด็ดขาดมากเลยนะจนจังไล น, นะเรียกว่าหาเช้ากินเช้าหาเช้าก็ไม่พอกินเช้านะฮะ่ารวมยกยอดไปกินเย็นนั่นเองไอ้นี่ก็คือคื อ, ค, อคือเรามุ่งเน้นที่ตัววัตถุกรามเครื่องไม่รู้จะไปปนเปื้ออะไรกันวิ่งแข่งกันอย่างแรง แล้วในที่สุดเนี่ยไอ้ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ก็คือบรดกอย่างหนึ่งที่บรรพชนท่นานสะสมไว้นะเวลานี้มาอาบรมข้าราชการมากมักเน้นนี่เลือดนะวันซื่อนี่ก็เน้นนี่เลือดดิเป็นรวมทางหลวงไว้ดิดนนี้นะบรรพบุรุษท่านหลังเลือดชโลมาเป็นนี่โลหิตนะที่บรรพบุรุษท่านสะสมทุ่มเทลงไปเยอะแยะเลยแล้วถ้าเรามาใช้ในทางที่ไม่สุดจริตเนี่ยไม่มีความจเจริญอ่ะ กูกลกรมที่ดินพูดอย่างนั้นทุกช <S 2> <S 2> <S ุดเลยฮะบนนี่เป็นนี้ของแผ่นดินคือบรรพุทธ์ตัานหลัหลงเลือดเอาไว้แล้ือดจริงพระเจ้าตากท่านท่านท่านกู้ถวายพระพุทธเจ้าไว้แล้วพวกกูเอาไปขายเกาหลีขายญี่ปุ่นขายจีนเนี่ยตอนเนี้ยไปให้ต่างชาติไอ้เนี้ยเอาของวัดนะฮะของก็ถวายพระพุทธเจ้าไว้เนี่ยเอาไปให้ต่างชาติเนี่ยแล้วเป็นเลือดทั้นั้นนะฮะเป็นนี่เลือดของบรรพุทธ์ทั้งนั้นไอ้นี่ก็คือ ใจที่มันโลภโลภในอะรโลภในวัตถุกรรมเป็นการยื้อแย่งที่เคยเล่าว่าพระพุทธเจ้าท่านมองนกนอะไรตอนตอนเป็นเจ้าชายนะฮะท่านมองอีกาเนี่ยอีกามันมันมันได้เนื้อมันชิ้นหนึ่งอิกาอีกตัวหนึ่งก็วิ่งไปแย่งนะฮะอีกาอีกตัวหนึ่งก็ไปแย่งพอพอแย่งกันสามตัวชักมั่วไอตัวที่คาบอยู่มันสู้ไม่ได้มันอ้าปากจิกอ้าปากจิกเนื้อมันหล่นเมื่อเนื้อมันหล่นหมาข้างล่างมันเห็นก็ ก็ครุบไปอิกาสามตัวเลยแยกกันพไม่มีแย่กพอมาตัวหนึ่งแต่ครุกบกำลังจะกลืดน่ยตัวหนึ่งก็แยง่งฟัดพอแยง่งแยง่งก็สู้ไม่ได้อีกนะก็มาทําตัวกมั่วกันไปก็แย่งกันไปแย่งกันมาพระเจ้าพท่านยืนดูตามดูนะฮะก็เห็นว่าวัตถุ ก, กางนะ่ยมันลักษณะอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนชิ้นเนื้อเหมือนชิ้นเนื้อชิ้นหนึ่งตกอยู่ในมือใครแล้วก็ถูกแยง่งถูกแย่งนะแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปเรย ที่ดินแปลงเดียวผืนเดียวก็แย่งกันไปช่วนาตาปีเขาแย่งกันเองเพราะสิ่งเหล่านี้คือวัตถุกา ร, รมเพราะงั้นพระราชา พ, ชพาระเจ้าพงศ์พันนาศีนี้ท่านมองเป็นวัตถุกา ร, รมวัตถุกรรมเป็นสิ่งที่มีปัญหาเป็นสิ่งที่แปดเปื่อนเป็นสิ่งที่สกปรกเป็นสิ่งที่สร้างความทุก ร, รานสร้างบาปอะไรต้นใดเนี่ยจากการฟังความคิดรรพระบิดาพระตาจานะท่านแหลมนะฮะท่านสรุปเป็นวัตถุก ร, รมไปเลยแล้วก็จริงๆก็คือวัตถุกรรม แล้วก็มีโทษมากมีสุขน้อยมีโทษมากการเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้ไม่ว่าอะไรกระตามีสุขน้อยแล้วก็มีโทษมากภาษาไลดุขากามายนี่เป็นเป็นเป็นสูตรหลักเลยอิติวิญญาจะพันดิโตบันดิรู้ว่ามีโทษมากมีโทษมากมีทุกข์มากแต่มีกระสุขน้อย มันสร้างความเดือดร้อนทั้งในช่วงของการแสวงหาทั้งในช่วงของการครอบครองทั้งในช่วงของการสูญเสียในช่วงของการที่ถูกศัตรูภายในบ้างไปนอกบ้างไนะไปในบ้างไปนอกบ้างลูกหลานวงวานวานเกลือลักขโมยช่อชนยักษ์จอบเหบียดบ้างโอซ่อนเร้นเยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ยังมีโจรทางนอกอีกมีอันตรายเขาเรียกว่าโจรภัยอักขีภยัยราชภายัย ว่าตาภัยออแตะไรแต่ละฮะลูกหลานเป็นพิษเยอะยะไปหมดเลยมีปัญหาสารพัดนะฮะที่มันมันก็อยู่กับการมองอยู่กับอยู่กับการมองปัญหาเหล่านั้นนะเมื่อวานเนี่ยเขาเอาเอาเนนมาจะให้นะฮะแต่ก็ยังยังไม่รับไปเราไม่มีที่อยู่ปัญหาเนี๋ยวน เป็นเด็กน่ารักนะฮะเขาบวชเนรภาคระดูร้อนอายุเก้าขวบบวชแล้วไม่ยอมสึกพ่อแม่ก็ฐานน่าดีลูกสองคนนั่นเองไม่ยอมสึกเดี๋ยวนี้อายุสิบเจ็ดย่างนะฮะก็สอบได้พอห้านะทำเอกเทศเก่งด้วยก็อยากจะอยู่ถวายชีวิตกับศาสนาเอออยากจะมาอยู่กับเมามีปัญหานิดหน่อยเราอย่างหาที่อยู่แม่กได้ แต่ก็ก็จะเล่าไปนะฮะเราก็แก่แล้วก็อยากมีทายาทนะก็เป็นเรื่องกองความคิด เ, เรื่องความคิดว่าเด็กมันคิดอย่างนี้มันมองเห็นอย่างงี้เลยไม่ต้องการได้ไม่ต้องการนี้แล้วก็บอกไว้นะฮะว่าคือว่ามันไม่ได้มาต้องการไผลประโยชน์อะไรพอก็เรียนจบปั๊บนะเด็กเาจะออกไปทำงานข้างนอก ออกไปช่วยเหลือประชาชนข้างนอกจะออกไปอยู่วัดวัดข้างนอกนะฮะเราก็นึกเออเด็กขนาดนี้มันคิดได้อย่างเงี้ยนะเด็ก <laughs> เด็กเล็กอายุเก้าขวบนะฮอายุเก้าขวบก็เริ่มคิดว่าจะเก้าขวบไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมอยู่ความคิดแนวนี้มีเยอะแต่ว่าบนเส้นทางที่จะไปส่วนมากเนะี่ยฮะมักจะมีปัญหาเยอะนะฮะ ในสังคมคือสังคมเราเวบนี้มันมันไม่รู้จะอยู่ที่ไหนอะอยู่ในป่ามันก็ลาบากได้เลยนีจะเข้าถ้ำจะเดิญกรรมฐานอยในป่ามันก็ไม่ได้อะมันไปไม่ได้แล้วมันภาพบรรยากาศก็เรียกว่ามลพิษมลพิษมันเยอะนะฮะเราตัวไปเลยเหมือนการมองปัญหาเนี่ยพระราชาในท่านมองอย่างนี้พอดีพระเทวีท่านได้ยิน ราชาท่านเปล่งโมทารา์พระเจริญพเจพระเทวีก็ชี้แก่าการอย่างดีอย่างนั้นให้ความสุขความสนานเพลิดเพลินอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะ ร, ราชาแล้วก็ดูเอาว่าเธอไปคิดยังไงเธอมองอยังไงเธอมองให้ดีที่นะการเนี่ยมันเป็นอย่างงี้งี้ ง, งี้ฮะนั่งอธิบายก่อนเสร็จแล้วพูดกันไปพูดกันมาท่านบอกว่าท่านไม่ยินดีแล้วในราชา ก็ตกลงก็ให้คนอื่นหลบไปก็อาศัยความคิดนั้นนี่ยนะฮะความคิดนั้นนะทำใจสงบเจริญสมาธิจเจริญได้านบรรลุฌานนะฮะ บ, บรรลุฌานนี่ไม่ได้เป็นเราปฏิเยกพระพุทธเจ้าพระราชาแล้วก็มอบพระราชาสมบัติอะไรๆให้คนอื่นตัวเองก็ออกปวดเป็นฤาษีปราชินีไอ้ตอนเมื่อก่อนตันต่อต้านเนี่ยนะนะแต่ว่าพอความความคิดความเห็นเรื่องคิดน่ยนะฮะ หรจริงไงนะก็จริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็เลยออกบวชเป็นตาปัสยินีเบวชเป็นตาปัสยินีท่านเหล่านี้ก็ตัวคนในในเรื่องนี้นิพผ่านหมดแล้วนะพระประเจอกพรพุทธเจ้าก็นิพผ่านไปแล้วยังเหลือสองท่านคือพระราชากับพระราจินีแต่เองที่มีชื่อพระราชาก็คือเป็นพระโพธิสัตว์ก็คือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเอง พระจีนีก็คือพระนางตริมาหามายาไม่ใช่พระนางพิมพาอโยธารานะครับ เ, เราจะเห็นว่าคนมีบารมีพระนางพิมพาท่านท่านก็ออกมาช้ากว่าพระพุทธเจ้านะฮะแต่แสดงบารมีตามกันมาเราเห็นไ้มว่าความคิดมองมุมเดียวกันมากกว่ามาขัดแย้งกันขัแย้งกันเามองวัตถุกลางในขัดแย้งกันแต่คนที่มีบารมีฮะพอพระราชาดูเอาหน่อยหนึ่งแล้วก็ให้ดูชัดๆนะ ท่านก็กล่าวได้สตินี่ก็คือเรื่องทั ก, ท, กทุกคนทั้ง6กท่านทั้งเจ็ท่านนะฮะทั้งเจท่านมันเกิดจากสํานึกในตัวของท่านาจิตวิญญาณที่มีคุณภาพมีบา ร, รมีธรรมแล้วก็อาศัยปัจจยัยข้าสนับสนุนเป็นตัวกุตุ้นนะฮะแล้วก็นําไปสู่ผลตามบา ร, รมีธรรมของท่านถึงกเ็เป็นตัวอย่างเป็นการสะท้อนธรรมจากวิถีชีวิตของบุคคลอิก วันนี้ก็ข อ, อยุติไว้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญมอกงามไปบูรณนธรรมจะมีแต่ท่านสาธารชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านคือ